ก็ถือว่าผ่านมาแล้วสิบห้าวันอ่านมาแล้วสิบห้าวันตั้งแต่วันเข้าพันษามา a เราก็ต้องมาดูกันที่ว่าสิบห้าวันที่เราผ่านมาเนี่ยชีวิตของเรามันได้กําไรหรือว่าขาดทุนในด้านบุญกุศล ถ้าภายในสิบห้าวันของเราเนี่ย <c oughs> ได้กำไรบุญกุศลของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าต้นทุนในการสร้างคุณงามความดีเนี่ยที่สะสมไว้ในนามาธรรมคือใจเนี่ยเข <c oughs> ้มข้นขึ้น สูงขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นมีปัญญามากขึ้นแต่ถ้าว่าภายในสิบห้าวันเนี่ยทานกับไปทำศีลหากัารักษาไหม่ครบหนักสมาธิส่วนบนก็ไม่มีฟังธรรมก็ไม่มีมจเจริญเมตตาก็ไม่จเจริญเจริญสติก็ไม่จเจริญปล่อยจิตปล่อยใจไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารม จิตใจก็โดนกิเลสครอบ ง, งาหรืออกุศลครอบ ง, งมจิตสิบห้าวันที่ผ่านมาก็เป็นชีวิตที่ขาดทุนจิตทาตาของจิตคือทารู้ก็สะสมแต่อารมณ์อกุศลคือความหนั ก, ห น, กหนักใจนะ ร้อนใจกระวนกระวายที่ใจตกเป็นอะไรเลยโยมตกเป็นวิบากรรมวิบากรรมฝ่ายอกุศลหรือว่าเจ้ากรรมในเวเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านเฉพาะการเวลาเนะมันผ่านไปด้วยการการะทำของเราด้วย ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปบางคนก็ไม่ได้สนใจจิตใจของตนเองก็แสวงหาแต่สิ่งเพิดเพลินนะสิ่งเพิดเพลินภายนอกตราบใดเราแสวงหาสิ่งเพลิดเพลินภายนอกเนี่ย ตาบนั้นเราก็หาความสงบในใจไม่ได้เพราะความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่เกิดกความเพลิดเพลินเนี่ยมันต่างากันราฟ้ากับดินอีกแบบหนึ่งอีวิธีหนึ่งเป็นความสุขจากกิเลสนะอาศัยความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิต ชีวิตที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นโมคะด้วยถึงที่มีชีวิตยืนยาวนับเป็นร้อยปีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าชีวิตนี้เป็นโมคะเพราะเป็นชีวิตที่ขาดทุนทั้งร้อยปีเลยแต่ต่างกันกับบุคคลที่มีชีวิตไม่ยืนยาวเท่าไหร่แต่ตลอดชีวิตเนี่ยสะสม ด้วยบุญกุศลเพิ่มพูนสติปัญญาความเชื่อความเริ่มใส ย, ย่างถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นของที่จะเกิดขึ้นนง่ายๆถ้าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีความรู้หรือเข้าใจในสัจธรรมความจริงของความทุกข์ เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ให้ปัญญาอย่างยอดเยี่ยมแต่ทุกคนไม่ชอบโยมไม่ชอบเกลียดความทุกข์ไม่ต้องการจะเจอความทุกข์แต่ทุกคนก็เจอนะยิ่งเกียดเท่าไหร่ไม่อยากเจอเท่าไหร่ยิ่งพบเยอะยิ่งเจอมากอืม การเรียนรู้เรื่องความทุกข์จะเป็นความรู้ที่สูงสุดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยพ้นทุกข์หรือออกจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนหนทางออกจากความทุกข์ให้พวกเราด้วยสอย่ั้งแต่ปรับพื้นฐานความเห็นแก่ตัวก่อนเลยการทำทานบรารมี ทำไมผู้ให้เป็นผู้ได้โยม mm hmm. ให้วัตถุท่าแต่ได้ความรู้สึกนำมาทำความเบาความเย็นใจความเสียสละทำลายตัวตนนึกถึงทานบา ร, รมีของเราที่เสียสละไปไว้ในโลกเนี้โอ้เบาใจโยมสบายคือเช่ว่าความขัดข้องเนี่ย จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เสียสละเลยอยมเราจะมาดูนะถึงเศรษฐกิจไม่ดียังไงอะไรไม่ดียังไงคนทําทานนิยมอยู่ได้จังหน้อยก็อยู่ได้ถึงจะไม่ร่ํารวยมากมายแต่ก็อยู่ได้อพออยู่ได้ไม่ขัดสนอนํานาจของทานบา ร, รมีที่ ทำอยู่เป็นปกติเนี่ยจะรักษาบุคคลนั้นนี่ไม่ให้ตกต่ำแน่นอนอันนี้เป็นกฎนะเป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่ว่าเทพเจ้าหรือพระเจ้าจะดลบรรดาลสิ่งเหล่านี้มาให้เราไม่ใช่เป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง สิ่งที่เรามีการถ่ายเทลไปเนี่ยก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาแต่ถ้าบุคคลเนี่ยมีความหวนแหยมีความตนนิทีเหนียวโอ้โยมจิตใจเนี่ยจะมีความเห็นแก่ตัวเรารอนเพ่งอยากจะได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นเสียไดย้ทรัพย์ของตนเองที่จะหมดไปสิ้นไปเปืองไปอืม เพราะฉะนั้นบุญกับความอิ่มใจสุขใจสบายใจกุศลคือความฉลาดในบุญที่เราทำเนี่ยต้องมีผลต่างกันกันกบอกุศลหรือบาป ก, กรรมจิตใจของบุคคลที่มีความเสียสละหรือว่ามีศีลมีทาน มีการภาวนามีสติพินิจพิจารณามีปัญญาออใครควรชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเล ย, เยพินิจพิจารณาความยากความลําบากความโอ้ยโดยสติปัญญานะมันจะเบื่อมันจะหน่ายมันจะคลายโยมความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ในอารมณ์ลโลก มันอย่าพิจารณาแต่ความทุกข์แล้วโอ้ยเราทําไมมีวสาสนาบา ร, รมีน้อยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีความลำบากไม่รวยเหมือนมหาเศรษฐีเมืองไทยหลือทั่วโลกอยู่ดีๆเกิ ด, ด, ดขึ้นมาหุน่นก็ขึ้นรวยเอ้ารวยเอาร้ อ, อ, อ, อยล้านพันล้านอันนั้นก็ทํามานะอืมันคงไม่ได้มาอลอยๆเรามันต้องมีเหตุมีปัจจัยของเขานั่นแหละถ้าเขาไม่ทํามาก็คงจะไม่ได้อย่างนั้นแน่นอนอเพราะฉะนั้นบุญเก่าที่ ทำไว้เนี่ยมันจะสะสมเป็นวา ส, สนาบารมีในภพต่อไปเนี่ยแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้โยมแข่งบุญแข่งวา ส, สนาไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะถ้าใครไม่ยอมรับกฎของธรรมชาติว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นกฎธรรมชาติไม่มีใครสร้างกฎนี้ขึ้นมา ถ้าอยอมรับจิตก็จะคนขวายเลยโยมคนขวายสร้างความดีทำบุญสุนทานใส่บาตรส่วนมุญนั่งสมาธิโอ้สบัยตบาเป็นโยมนี่ก็ใส่บาตรไม่ขาดเลยโยมยิ่งเห็นพระเยอะๆนี่โอ้โหยิ่งใสเห็นดีใจเพราะการทำทานของเราก็ เพื่อเป็นเหตุเป็นปัใจจัยแห่งความทุกข์เป็นเหตุปัจจัยแห่งสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันและนอนาคตชีวิตของพวกเราก็เลยอยู่กับบุญกุศลมิได้คิดว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรอืเหมือนกันโยมันนี้เป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันผู้ที่ทำอะไรถวายพระ ด, ดีเราอันดับแรกอันตราชอบชันอะไรสบายเป็นโยม ก็ใส่าปาดชินที่นั่นแหละเป็นหลักแต่ตอนหลังก็เป็นเปลี่ยนไปมั่งทำหลากหลายไปทำแล้วก็สบายใจสุขใจอิ่มใจนะในทานในศีลในภาวนาที่เราทำอยู่เป็นประจำยิ่งเป็นพระยิ่งทำใหญ่นะโยมทำทุกลมหายใจเข้าออกเลยทำ โยมรู้ว่าการเจริญสติเนี่ยมันง่ายเลยไม่ง่ายนะเอาไม่ง่ายโยมคิดว่าง่ายลองโยมไปนับหนึ่งเนี่ยเอานับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยโยมนับไม่ได้ซะวันเดียวหน้าหนึ่งภายในหนึ่งวันเนี่ยให้ให้นับได้ประมาณซะห้าหมื่นสมมติว่าโยมทําไม่ได้หรอกทาไม่ตั้งใจมากจริงจริง ทีแรกเน้นว่าโอ้ยห้าหมื่นง่ายนิดเดียวทำไมจะมัยากอะไรหนะักนับเลขอืมนับเข้าจริงๆโยมเน้นที่บวชฝึกที่ศึกไปแล้วละเป็นจะไปเดินต่อเมืองนอกนับไม่ได้ยโยมได้สองร้อยบ้างสามร้อยบ้างห้าร้อยบ้า ง, 100, างแต่ก็บอรว่าบอกให้สู้ไปเรื่อยๆก็ได้ไปถึงหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หืนห้าเท่านั้นแหละบอกโอ้ยทำไมมันยากขนาดนี้ Glass. นับไปนับมามันลืมดิมันมันหลักเท่าไหร่แล้วนะบอกจำไว้นะถ้าลืมนี่ตังต้งตต้นต้นใหม่ตั้นต้นตรงจุดที่เราจำได้แล้วก็ต่อตรงนั้นเพราะฉะนัน้นการเจริญสติจะเป็นการทำทานโยมทานชั้นปรมาจา์รก็เรียกว่าทานขั้นสูงเนี่ยเป็นการเสรสละ อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยทาทานออกไปเป็นศีลคือการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินายเป็นสมาธิมีความตั้งใจมั่นอยู่ในคำบริกรรมของเราเป็นปัญญาพิเนิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงของสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ทุกคนไม่รู้โยมในอนาคตเอาจะเป็นโรคร้ายอะไรแต่ทุกคนก็หวังว่าไม่ควรจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นแก่ตายไปหมดแรงไปหลับไปเอาคิดแบบอเอาง่ายๆเป็นวันแบบดีๆนะของดีๆนะจนเข้ามาในชีวิตของเราอันนั้นแค่ความคิดนะเป็นแค่ความคิดแต่ความจริงที่เราจะได้ เจอเจอนั้นอีกกรณีหนึ่งแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยที่เราทำมาเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งที่เราสามารถทำใจได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตช่างมันเราทำทานรักษาศีเลเจริญภาวนาในปัจจุบันให้มากๆทำให้ต่อเนื่อง ทำให้เป็นกําลังกําลังใจและกําลังจิตอะไรจะเกิดขึ้นภายหน้าเนี่ยเราก็ยอมรับตั้งแต่ปัจจุบันแล้วอเพราะเรามีความแก่เป็นธรรมดาโยมมีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาความพากจากของรักของชอบใจย่อมเกิ ด, เ ก, ดเกิดขึ้นกับเราแน่นอนอย่านี้แล้วมันก็สิ่งที่เราพิจารณาทุกวนันทุกวนันท้วนัน จาสิบปีไปยี่สิบปีสาบปีสี่สิบห้าสิบปีแล้วอะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นอ๋อตอนนี้มาถึงคิวเราแล้วที่เพินิจพิจนารณาที่เด็กหนุ่มมาที่เด็กๆมาฟังทำรักษาศีลจเจริญภาวนามาเนะ น, นี่ยตอนเนี้ยมาถึงจุดที่เราเจะเจอเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนแล้วว่าความแก่เป็นอย่างไรความเจ็บเป็นยังไงและความจะตายเนี่ยเป็นอย่างไรรู้แหละ จุดนี้ทุกคนต้องถึงนะช้าเร็วต่างกันแต่ต้องถึงเมื่อเรารู้จะต้องถึงเราควรเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจอืบางคนมาถามพระธรรมมาว่าท่านบวดทาไมเนี่ย<ม>เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบอกเตรียมตัวตายโยมเอาไว้ไปสู้กับมันตอนตายอืเรากงง็งงไปสู้อะไรกับมันตอนตายอืม สู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละความทุกข์ความยึดถือความไม่อยากพัดภาคจากของรักของชอบใจนี่แหละอความพอใจยินดีในโลกทั้งหลายนี่แหละเฮัลโหลทุกวันก็ต้องสอนโยมอันนี้เราต้องจากจากจากเข้าไปนะอ่าสักวันหนึ่งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปนะท่องไว้ท่องไว้ภ า, าวนาจัดการระบบใ ห, ใ, หให้มันเรียบร้อยให้ให้มีความวิตกกังวล น, น้อยสุดหรือไม่มีเลยยิ่งดีต้องถามในใจของเราตัวเองว่าเรามีความกังวลอะไร แล้วความมีความวิตกเรื่องอะไรต้องเคลียปัญหานั้นเคลียปัญหานั้นให้จบไม่ให้ความวิตกกังวลนั้นมาก่อความทุกข์ในใจของเราพบต่อไปของเราสุขติเป็นที่มหมายบุคคลใดละโลกนี้ไปด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์จิตใจผ่อผองใสเนี่ยก็สุขติพบที่เป็นสุขติเนี่ย เป็นที่หมายแน่นอนตามเหตุตามปัจจัยของบุคคลนั้นที่ทํามาไม่มีใครมาสร้างนระกสวรรค์ให้เราไม่มีใครมาสร้างบุญหรือบาปให้เรานอกจากตัวเราเองนั้นการที่เราเนี่ยจะเป็นชาวพุทธพุทธแต่ว่าผู้รู้นะพุทธะแปลว่าผู้รู้รู้ความจริงของกายและใจนี่แหละของสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ้อ มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเราไปรู้ความจริงของสังขารทั้งหลายเนี่ยจิตใจของเราจะมีความสุขสงบอย่างมหาศาลอยู่าางั้นการรู้ตามความเป็นจริงจากการได้ยินได้ฟังก็เป็นความสุขระดับหนึ่งความรู้ตามความเป็นจริงจากจิตที่มีความสะอาดมีสเสนก็ขยับขึ้นไปดีอีก ดีขึ้นไปมีสมาธิก็ดีขึ้นไปมีปัญญาสูงสุดยิ่งดีใหญ่เลยอืเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมันก็มีหลายระดับอระดับต้นระดับกลางระดับปนะลายนั้วเราก็ขยับความรู้ของเราไปทีละเล็กทีละน้อยจิตของเราจะได้เป็นพุทธะนโยมเป็นโพรู้จริงๆตื่นจริงๆเบิกบานด้วยธรรมจริงๆปล่ อ, อยวางจริงๆปล่อยวาง เหตุการณ์ต่างๆสามารถเกิดขึ้นกับเราได้นะคิดคิดไม่ถึงก็เกิดได้นะเกิดได้หมดนันเราก็ต้องระวังระวังตนเองให้มากดีกว่าลองตัวเองแต่มาเดวิศบาสนี้แต่มาคิดว่ามันพร้อมที่จะมรณาภาพเลยนะรถใหญ่ก็วิ่งกันว้าว้าแรงมากเร็วมากรถก็สวนกันมากันอีกพูงไงว่าถอยหลังนี่ต้องดูหน้าดูหลังดูทุกดูทุก ส่วนเลยละอันตรายมากเอยฝ่าถนนถนนจะเจ็ดเก้าจะเสร็จเนี่ยแต่ว่าพิจารณาความตายดีมากเนี่ยบอกโอ้หนิดเดียวเองเนี่ย mm hmm. เบรคมันแตกหรือมันหลับในนิดเดียวเนี่ยไปแล้วเกล็บหมดแล้วในตลาดทั้งตลาดเนี่มาคิดอยู่ภาบินธบก็ไม่เหลือเหมือนกันอ่ะอ่ะต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องทำมันก็ต้องบินมันก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็พุโทโธไปดีกว่าอ ชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตก็คือความตายเมื่อมันจะตาย ต, ายตรงตลาดกลางตลาดก็ต้องยอมรับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายตรงจุดไหนในโลกนี่ก็ต้องยอมรับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสติปัญญานะั่นนั่นพวกเราอยากให้เวลาผ่านไปโดยปรากประโยชน์เลยนักปราชญ์ทั้งหลายบอกถึงเวลาที่เราควรจะเจริญสีสมาธิปัญญาก็ควรเข้ า, ขามา เฉลเ่ยสสมาธิปัญญาเก็บสะสมบุญกุศลของเราไว้เป็นพาหาันะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เดินทางในสังสารวัตก็มีบุญกุศลท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเราในแต่ละภพแต่ละชาตินี่จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆไม่ตกต่ำเลยเพราะนั้นเราเห็นชีวิตคนที่มีความสุขโอ้ยทำไมเขามีความสุขจริงเลยมีอะไรพร้อมไปหมดเขาทามาอยู่ ้็ทำของเขามาไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่มันแปลกประหลาดอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ทำของเราทำใจของเราให้สงบนี่แหละจะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือบุญอันอื่นเลยละ่พะพอจิตสงบแล้วจะทำให้เกิดปัญญานี่แหละต่อไปตั้งใจสมาทานศีลน